สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เราอยู่ในสุภาษิตบทใหม่แล้วครับบทที่28ข้อ 1- ถึงข้อที่6โปรดฟังพระว จ, จนะของพระเจ้าสุภาษิตบทที่ย8บข้อ1่ถึงข้อที่6คนชั่วร้ายก็หนีเมื่อไม่มีใครไล่ตามแต่คนชอบทำก็กล้าหาญอย่างสิงห์หนุ่มเมื่อแผ่นดินทรยศ ก็มีผู้ครอบครองเพิ่มขึ้นแต่ด้วยคนที่มีความเข้าใจและความรู้ชัตลภาพของแผ่นดินนั้นจะยั่งยืนนานคนยากจนที่บีบบังคับคนยากจนก็เหมือนฝนที่ซัดลงมาแต่ไม่ให้อาหารบรรดาผู้ที่ทอดทิ้งบัญญัติย่อมสรรเสริญคนชั่วร้ายแต่บรรดาผู้ที่รักษาบัญญัติย่อมคอยต่อสู้เขาคนชั่วร้ายไม่เข้าใจความยุติธรรม แต่บรรดาผู้แสวงหาพระเจ้าเข้าใจถี่ท่วนคนยากจนที่ดำเนินในความสัตย์ซื่อของเขาก็ดีกว่าคนมั่งคั่งที่คดโกงในทางของตนพี่น้องครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ในสุภาษิตบทที่28นี้เราก็จะเห็นว่ามีข้อความหรือมีคำสอนที่ตรงกันข้ามกันหลายคู่ครับยกตัวอย่างในบทที่28ข้อที่1นะครับ คนชั่วร้ายก็หนีเมื่อไม่มีใครไล่ตามแต่คนชอบทำก็กล้าหาญอย่างสิงห์หนุ่มขออ้อ2เมื่อแผ่นดินทรยศก็มีผู้ครอบของเพิ่มขึ้นแต่ด้วยคนที่มีความเข้าใจและความรู้สถิรภาพของแผ่นดินนั้นจะยั่งยืนนานเราเห็นนะครับว่ามีข้อความที่ขัดแย้งกันและบรรทัดที่สนั้นก็เริ่มต้นด้วยคำว่าแต่ครับพี่น้องครับแสดงว่าพระกัมพีกาลังนาเสนอภาพ2ภาพด้วยกัน นะครับในหลายๆข้อของบทนี้ดังนั้นเองเราจะาเริ่มต้นนะครับในข้อที่1นึ่กล่าวว่าคนชั่วร้ายนั้นก็หนีเมื่อไม่มีใครไล่ตามแต่คนชอบทําก็กล้าหาญอย่างสิงห์หนุ่มพิจารณาขับความรู้สึกผิดของคนชั่วร้ายนั้นทําให้ครับต้องหนีครับหนีจากใครหนีจากผู้ไล่ตามบางครั้งในจินตนาการในความกลัวที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกผิดเขาจะรู้สึกไม่สบายครับเขาจะรู้สึกที่ว่าเขาจะต้องหนี เขาจะต้องรู้สึกว่ามีอะไรที่ตามตามเช็คบินเขาอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขารู้ตัวว่าเขาได้กระทำผิดเขาเลยคิดว่าจะต้องมีใครหรือมีผู้รักษากฎหมายหรือใครก็ตามที่ไล่ตามเขาในทางตนข้ามครับคนชอบทำก็กล้าหารคือมีความเชื่อมั่นครับมีความเชื่อมั่นอย่างสิงห์หนุ่ม หมายความว่าเขาสามารถรเผชิญกับความจริงได้ตลอดเวลาพระเจ้าประทานความกล้าหาญแก่เขาครับพวกเขาไม่ต้องกลัวว่าเขาทำผิดหรือว่าพวกเขาไม่ต้องกลัวผลของการทำความผิดเพราะว่าเขาไม่ทำผิดครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นความกล้าหาญของคนดีนะครับคนดีนั้นตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อันนี้คือคนชอบทำคนดีแต่คนอธรรมครับไปไม่รอดเพราะว่าในที่สุดความรู้สึกผิด จะไล่ล่าเขาเองบางท่านอาจจะถามว่าเมื่อไรเนอความรู้สึกผิดจะไล่ล่าเขาจะมีเวลาหนึ่งครับพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวคนอธรรมเวลาทำผิดนั้นไม่รู้สึกตัวครับไม่สํานึกผิดแต่พระคัมภีได้ให้ความมั่นใจแล้วว่ามีวันหนึ่งครับความรู้สึกผิดจะไล่ล่าเขาข้อ 2. ครับเมื่อแผ่นดินทรยศก็มีผู้ครอบครองเพิ่มขึ้นแต่ด้วยคนที่มีความเข้าใจและความรู้ สถียรภาพของแผ่นดินนั้นจะยั่งยืนนานแผ่นดินทรยดยศก็คือแผ่นดินที่มีความเดือดร้อนลุกเป็นไฟเกิดความไม่สงบหรือเกิดการกรบฏในบ้านเมืองก็จะส่งผลให้มีการโค่นล้มผู้นำแล้วก็มีผู้นำผลัดกันขึ้นมานะครับหลายหลายคนมันเป็นความไม่แน่ไม่นอนไม่มั่นคงของของประเทศชาติบ้านเมืองเมื่อความชั่วร้ายหรืออาชญากรรมชุกชุมพี่น้องครับ ตามปกติแล้วการโยกย้ายผู้นําก็มีอัตราสูงครับในบ้านเมืองแบบนี้เราจะเห็นตัวอย่างอาณาจักรฝ่ายเหนือของอิสราเอลก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับเกิดกษัตริย์มากมายหลายคนเหลือเกินแต่กษัตริย์แต่ละองค์แต่ละคนนั้นก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะต้องยึดถือสิ่งที่ถูกต้องและหากว่าใครก็ตามที่เป็นผู้นําเราจะต้องผู้นํา เป็นผู้นำที่มีความเข้าใจมีความรู้นะครับถ้าขาดความเข้าใจทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าครับขาดความรู้ก็แสวงหาความรู้พัฒนาตัวเองแล้วสิ่งที่เราครอบครองสิ่งที่เราดูแลนั้นก็เกิดความสติรภาพเกิดความยั่งยืนนานพี่น้องครับบ้านเมืองจะอยู่ได้เพราะผู้ครอบครองที่ดีผู้ที่มีวิจารณญาณผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการปกครอง และผู้ที่พึ่งพาในในการทรงนําของพระเจ้าในข้อ3ครับต่อไปก็คือคนยากจนที่บีบบังคับคนยากจนก็เหมือนฝนที่ชัดลงมาแต่ไม่ให้อาหารพี่น้องครับเมื่อคนยากจนคนขัดสนบีบบังคับคนยากจนหรือคนอ่อนแอและกําลังนะครับไร้ที่พึ่งพี่น้องครับเขากําลังข่มเหงคนที่มีบางอย่างเหมือนกับตัวเขาเอง คนที่อาจจะเป็นเพื่อนเขาก็ได้นั่นเป็นการวิริตรความโหดร้ายการผันแปรความยุติธรรมพระกัมพีก็เปรียบสเสมือนกับเป็นฝนครับฝนที่ตกลงมาซัดลงมาอย่างแรงก็ให้เกิดการทำลายมากกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพืชพันธุ์ธัญญาหารคนพวกนี้เป็นคนใช้ไม่ได้ครับเมื่อถูกยกขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งสูงตาแหน่งที่คนไว้วางใจ ตำแหน่งที่ดีก็มักจะหันกลับมาเล่นงานคนในระดับเดียวกันนี่ถือว่าใช้ไม่ได้ครับรังแต่จะเกิดความเสียหายแก่องค์กรสถาบันดังนั้นเองการเลือกผู้นำจึงมีความสำคัญมากในข้อที่4ครับหากว่าจะเป็นผู้นำนั้นเราจะต้องรักษาบัญญัตินะครับคนที่ทอดทิ้งธรรมบัญญัติย่อมสังเสริญคนชั่วร้าย แต่ผู้ที่รักษาธรรม ญ, ญัติย่อมคอยต่อสู้เขาข้อที่5เช่นเดียวกันครับบอกว่าคนชั่วร้ายไม่เข้าใจความยุติธรรมแต่บรรดาผู้แสวงหาพระเจ้าเข้าใจที่ท่วนตรงนี้พูดถึงชัดเจนนะครับพี่น้องครับเวลาที่เราจะคบใครเวลาที่เราจะยกใครให้เป็นผู้นำนั้นเราจะต้องดูคุณภาพชีวิตของเขาครับจะต้องเป็นคนที่แสวงหาพระเจ้า จะต้องเป็นคนที่รักษาบัญญัติของพระองค์จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสาหรับผู้นำเราจะต้องเข้าใจความยุติธรรมครับเราจะต้องสแสวงหาพระเจ้านะครับเราถึงจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้นำข้อ6、ข้อสุดท้ายในวันนี้คนยากจนที่ดำเนินในความสัตย์ซื่อ ก็ดีกว่าคนมั่งคั่งที่คดโกงในทางของตนนี่คือสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับบ้านเมืองสําหรับองคอ์กรต่างๆเราจะต้องการคนที่มีความซัดซื่อครับดีกว่าคนที่มั่งคัง่งคนที่มั่งคั่งนั้นสังคมอาจจะมองว่าเขาประสบความสำเร็จแต่พี่น้องครับคนพวกนี้อาจจะไม่ได้เชื่อฟังบัญญัติของพระเจ้าคนมั่งคัง่งคนร่ารวยอาจจะ ได้มาซึ่งเงินทองความร่ำรวยที่ผิดศีลผิดธรรมนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ครับดังนั้นเองเราเองจะต้องอธิษฐานเผื่อผู้นำของเราเราเองจะต้องอธิษฐานเผื่อผู้ที่มีอำนาจในบ้านเมืองของเราที่จะไม่เป็นคนคดโกงนะครับที่จะเป็นคนสัตว์ซื่อไร้ตาหนิมีความสมบูรณ์พร้อมทางด้านศีลธรรมดีกว่าเลือกคนที่มั่งคัง่ง แต่ชั่วร้ายพี่น้องครับพระคำภีข้อนี้ทำให้เราเห็นถึงผู้นำครับทั้งตอนเลยจะเห็นว่านี่คือภาวะผู้นำขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นผู้นาที่มีคุณสมบัติที่เพียงพอเป็นคนที่ชอบทำครับเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นคนที่ไม่บีบบังคับคนยากจนแต่หเห็นอกเห็นใจคนยากจนเป็นคนที่รักษาบัญญัติของพระเจ้า เป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ในทางของเขาคนเหล่านี้ครับมีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำขอพระเจ้าช่วยเราครับให้องค์กรของพี่น้องสถาบันของพี่น้องที่ได้ยินได้ฟังนี้จะมีผู้นําที่ชอบธรรมเป็นผู้นําที่พระเจ้าได้แต่งตั้งไว้เป็นผู้นําที่รักษาให้เกิดผลดีในบรรดาผู้ร่วมงานทุกๆคนอาเมน